แล้วก็ตอนหนึ่งพระองค์ได้ขอพรกับเท้าสักกะว่าจุติชากชาตินี้ให้ไปอยู่ในดุสิตเมื่อจุติจากดุสิตให้มากลับมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอันพระองค์ก็เลยไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตในวาระจิตที่สองพอจุติจิตที่พระเวสสันดรเนี่ยนะก็ปฏิสนธิในดุสิตในการนั้นเราก็ได้เป็นเทวราชแปลว่าพระราชาของเทวดา ไปอยู่สงเคราะห์เทวดาคําว่าเทวราชเนี่ยนะราชาปแปล ว, ว่าผู้สงเคราะห์ด้วยสังฆะวัตถุ4ประการนั้นพระองค์เนี่ยไปเกิดในเทวดาชั้นดุสิตก็ไปสงเคราะห์เหล่าเทวดาชั้นดุสิตด้วยสังฆะวัตถุสด้วยทานปิยวาจาอัตเจริยาและสมานาตตาในชาตินั้นพระองค์ชื่อว่าเท้าสันดุสิตเท้านี่เป็นภาษาไทยใช่ไหมเท้าเนี่ยประกาศประกาศถึงความเป็นกษัตริย์บางยุคเขาเรียกกษัต ร, ริย์ว่าเท้า พอพระองค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตประมาณกี่ปี576ล้านปีตรงนี้เขาแปลเขาจยากเขาบอกว่าตลอด57โกดปีกับ60สิบแสนปีอโบราณเขาเข้าใจสมัยเราก็คือบอกว่า576ล้านปีเนี่ยนะตอนนั้นพวกเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลก็มาประชุมกันก่อนที่พระองค์จะจุติจากดุสิตเทวดาก็มาประชุมกัน ยาจันเตปัญชลีมะมังความว่าเทวดาหมื่นโลกาธาตุเข้าไปหาเราอ้อนวอนเราว่าข้าแต่ท่านผู้เนรทุกข์นะผู้ปราศจากทุกผู้ไม่มีทุกข์ว่างั้นผู้ที่มีก็บอกว่าการที่จะชมบอกผู้นี้มีความสุขมากเราก็บอกว่าผู้ที่ไม่มีทุกข์อย่างก็บอกคนสุขภาพดีที่สุดอะท่านผู้สุขภาพดีเขาบอกว่าถ้าท่านผู้ไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็พูดในสิ่งที่มันตรงกันข้าม ถ้าเราจะบอกว่าคนนี้กําลังนั่งอยู่เขาบอกคนที่ไม่เดินคนที่ไม่ไม่ยืนและคนที่ไม่นอนน่ะกำลังแสดงว่ากําลังพูดกับคนนั่งข่าแต่ท่านผู้นิรุตุกแกปลว่าผู้ที่ไม่มีทุกข์แปลว่ามีความสุขมากดุสิตเนี่ยสวรรค์ที่เรียกว่าสวรรค์เป็นที่ตั้งแห่งความร่าเริงบันเทิงเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีแล้วก็เพลิดเพลินเลยเรียกว่าดุสิตเนี่ยเยทวดาในหมื่นโลกธาตุเข้าไปหาเรากล่าวว่าข่าแต่ท่านผู้นิรุกข์ พระองค์เมื่อบำเพ็ญบารมี10บทัศนะทัศเนี่ย ท, ท, ทาศาะตัวนั้นก็แปลว่าสิบนั่นแหละบำเพ็ญบารมีสินะแบ่งบารมีแต่ละอย่างขยายเป็นอุปบารมีาบารมีอุปบารมีและประมัทธบารมีการบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่าพุทธกัลกะธรรมเหล่านั้นมิใช่ปรารถนาจะเป็นเทา้าสกะไม่ได้ทําบุญปรารถนาให้เป็นพระอินทร์หรอกไม่ได้ทําบุญปรารถนามานสมบัติ เป็นใหญ่ น, นะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชัน้นปรณิมมิตาวสวัสดีพระองค์ทําบุญบําเพ็ญบารมีเหล่านั้นก็ไม่ใช่ปรารถนาพรหมสมบัติคือไม่ได้ปรารถนาเป็นพรหมปริสัชชาโปโรหิตามหาพรหมมาอภาาัสราสุภกินหาเวหภัพลาหรืออกกนิษฐาพรหมเป็นต้นพรหมเราได้เ่าหนึง่งพระองค์ก็ไม่ต้องการและพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนามนุษย์สมบัติเรียกว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ แต่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหมดพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าทาไมบำเพ็ญบารมีเหล่านี้เพื่อจะช่วยขนสัตว์โลกให้ข้ามจากโอะสงสารช่วยผู้ที่ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะออกจากกามโมฆะพะโวฆะทิถุฆะและอวิโชฆะให้ตั้งปฏิสถานอยู่บนบกคือพระนิพพานพระองค์ปรารถนาเช่นนั้นไม่ใช่หรือ เพราะฉะนั้นพระธรรมสังคีติกาจาร์ท่านก็ได้กล่าวว่าเทวดาในหมื่นโล ก, กาธาตุทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระมหาวีระนี้เป็นกาละสมควรสําหรับพระองค์ข อ, ขอพระองค์ได้โปรดอุบัตในพระคันของพระมารดาขอพระองค์เมื่อจะทรงช่วยมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอคาสงสารโปรดจงตรัสรู้อมตะบทเธอ อธิบายตามลำดับว่ากาโลเตปแปล ว, ว่าเป็นการละอันสมควรสำหรับพระองค์ที่เรากได้เวลาแล้วนี่นะได้เวลาทำอะไรได้เวลาที่พระองค์จะช่วยมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามตารียนโตนี่นะให้ข้ามได้เวลาช่วยมนุษย์และเทวดาช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามได้แล้วให้ข้ามยังไงเนี่ยตารียนโตบอกว่า พระองค์เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยให้ข้ามให้ข้ามจากไหนข้ามจากวัฏฏะสู่วิวัฏฏะข้ามจากสังสารวัฏสู่พระิพา น, านข้ามจากทุกข์ไปสู่ความดับทุกเนี่ยนะพระองค์เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยให้สัตว์ได้ข้ามตารียนโตก็คือทําทุกอย่างเพื่อจะช่วยให้สัตว์ได้ข้ามอธิบายไว้ประมาณเก้าลำดับชั้นว่าแม้พระองค์บําเพ็ญบารมีอยู่ก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้าม ถึงตอนนั้นจริงอยู่ยังช่วยใครไม่ได้อั น, นั้นยังช่วยไม่ได้จริงๆแต่ก็เชื่อว่าช่วยให้ข้ามขณะที่พรองให้ทานรักษาศีลเจริญเนกธรรมะเจริญปัญญาวิรยิยะขันติสาจาัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาบำเพ็ญบารมีสิบอุปบารมีสิบขณะที่กําลังสร้างบารมีอยู่ขณะนั้นก็เชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามนอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองแม้ทรงบำเพ็ญบารมีเสร็จแล้ว บำเพลนบารมีเสร็จเนี่ยเสร็จจริงๆอ่ะเสร็จนั่งกัเมื่อไรเสร็จที่พระเวสสันดรเข้าสู่พระราชวังสเสด็จที่กลับมาอยู่ในวังนี่ก็ชื่อว่าบำเพลนบารมีเสร็จแล้วพันขณะที่กลับไปประทับอยู่ในพระราชวังรอเป็นพระพุทธเจ้าขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ชื่อว่าช่วยสัตว์ให้ข้าม หรือแม้แต่พระองค์จุติจากอัตภาพเป็นพระเวสสันดรถือปฏิสนธิในภพดุสิตนำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตตลอด576ล้านปีเนี่ยนะตรงนี้ก็แปลว่า57โกรปีกับ60แสนปีก็คือ576ล้านปีก็เชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามทั้งทงที่อยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุขนะขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้าม ขณะที่พระองค์ถูกเทวดาทั้งหลายที่มาจากไหนหมื่นจักรวาลเนี่ยนะทูลอ้อนวอนขณะนั้นพระองค์ก็ตรวจมหาวิโลกันะห้าประการพระองค์ถือทรงถือปฏิสนธิในพระคั์ของพระนางเจ้ามหามายาเทวีก็ดีพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในพระคันจนครบถ้วนทศมาศสิบเดือนก็ดีก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ได้ข้ามเนี่ยนะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้าม ขณะที่อยู่ในพระคันเนี่ยนะจนถึงคลอดจากคันแม้แต่พระองค์เนี่ยครองคาร ว, าวัตวิสัยอยู่29ปีขณะที่เป็นคารวาตวิสัยนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามช่วยให้ข้ามในวันที่ประสูติพระราหุลพัทธะเรีพระราหุลผู้เจริญเนี่ยนะพระองค์วันนั้น่ะวันที่เห็นหน้าบุตรมีนายชนนะเป็นสหายขึ้นทรงม้ากันตะเสด็จ ออกมหาพิเนสกรมเรียกว่ามหาเนคข ม, มะเนี่ยนะพิเนสกรมตัวนั้นก็คือเนคข ม, มะออกเนคข ม, มะที่ใหญ่มากเป็นเนคข ม, มะเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เสด็จเลยสามราชอาณาจักรผนวดณริมฝั่งแม่น้นําอโนมาก็ดีขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้ข้ามช่วยให้ข้ามกำกำลังปฏิบัติในข้อปฏิบัติเพื่อช่วยสัตว์ให้ข้ามจากกองทุกข์ พระองค์บำเพ็ญความเพียรหกปีก็ดีเนี่ยนะในวันวิสาขาปุรุษีวันเพียเดือนหกคือวันวิสาขาสะเสด็จขึ้นสู่มหาโพธิมันทัศานโคนโพพฤกทรงกําจัดกองกําลังมาปรปฐมเอ่อช่วงหัวค่ํากําจัดกองกําลังมารใช่ไหมพาหงษ์สหสมาพิณิมิตนั่นแหละปฐมยามพระองค์ละลึกชาติในบุรพชาติก็คือในอดีตชาติมัชิมยามทรงชําระทีพระจักสุปัชิมยาม พิจารณาปฏิจจสมุบาตมีองค์สิบสองนนะชรามรณะชาติพบอุปาทานตันหาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยขณะที่พิจารณาปฏิจจสมุบาตทั้งอนุโลมและปฏิโลมเพื่อแทงตลอดอริยสัตบรรลุโซดาปฏิมักขณะขณะที่บรรลุโสดาปฏิมักก็ชื่อว่าช่วยสัตว์ให้ข้ามกําลังช่วยอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จนยนะยังไม่ได้ช่วยให้ข้ามได้แต่กําลังช่วยอยู่กําลังหาวิธีการที่จะช่วยเขาอยู่ ขณะโสดาปฏิผลขณะสกะท่ทาคามีมกักสกท่ทาคามีผลอนาคามีมกักอนาคามีผลขณะอรหัตตมักอรหัตตผลขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้ข้ามจนถึงขณะอรหัตตผลเกิดขึ้นปัจเวคขณะยานเกิดขึ้นเป่งพุทธอุทานนะจนสเสวยวิมุตติสุขอยู่ณนะแถวแถวบริเวณใกล้ที่ตรัสรู้เนี่ยนะประมาณสองเดือนเนี่ยขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์เนี่ยข้าม กาละใดพระองค์ประทานน้ำอมฤตเรียกว่าน้ำคือพระนิพพานให้แก่โดยพระธรรมเทศนาเนี่ยนะแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์พร้อมด้วยเทวดามื่นเรียกว่า1มื0นโกดก็แปลว่า18โกดเนี่ยนะ 18, โกดก็คือ18โกดนับแต่กาละนั้นก็เรียกว่าช่วยให้ข้ามเสร็จแล้วขณะที่พระองค์แสดงธรรม แล้วมีผู้บรรลุจริงเนี่ยนะมีผู้บรรลุโสดาปฏิมักโสดาปฏิพลจริงเมื่อนั้นแหละจึงเชื่อว่าช่วยให้เขาข้ามแล้วแต่ถ้าก่อนนั้นยังไม่ได้ข้ามจริงถ้าเช่นโสดาปฏิมักเกิดขึ้นแล้วพระองค์ชื่อว่าช่วยเขาให้ข้ามจากอบายทุกขติวินิบาทนรกแล้วถ้าหากว่าพระองค์ช่วยให้เขาบรรลุสะกะทาคามมักก็ชื่อว่าช่วยให้เขาข้ามจาก ชาติที่สองในมนุษยโลกเป็นต้นไปแล้วถ้าพระองค์ช่วยให้เขาบรรลุอนาคามีมัจ ก, ก็ชื่อว่าทําให้ข้ามออกจากกรรมมพบได้แล้วขณะที่พระองค์ช่วยให้เขาตรัสรู้อรหัตตมัจ ก, ก็ชื่อว่าให้ข้ามออกจากวัฏฏะทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นในคาถาจึงกล่าวว่าเมื่อทรงยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามโอฆาสงสารขอโปรดจงบรรลุอมตฏบทเพราะถ้าพระองค์ไม่เห็นนิพพานแะล้วพระองค์จะช่วยให้ผู้อื่น ข้ามได้อย่างไรอย่างที่กล่าวว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ยังจมอยู่แล้วจะช่วยฉุดผู้อื่นให้ขึ้นนะผู้ที่จมอยู่ในวัตตะอยู่เนี่ยนะแล้วจะช่วยฉุดให้ผู้อืน่นออกจากวัตตะไปได้อันนี้ไม่ใช่ฐานะในสเลขสูตรพร ะ, ระองค์ตัดไว้อย่างนั้นจริงๆผู้ใด ย, ยังติดข้องอยู่จะช่วยฉุดผู้อืน่นให้หลุดพ้นก็ไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นได้เวลาที่พระองค์จะบรรลุ อ ม, มตะธรรมแทงตลอดอริยสัตว์ตรัตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะย่างโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากโอฆสองสารได้อันนี้เป็นคำอาราธนานิมนต์เชื้อเชิญของเทวดาในหมื่นจักรกวาลแต่ว่าส่งตัวแทนมาพูดคนเดียวก็พอเนี่ยนะถ้าพูดหมดก็ไม่รู้ใครฟังใครแล้วครนี้ครังนั้นพระมหาสัตว แม้ถูกเทวดาทั้งหลายทูลวอนขอก็ไม่ได้ประธานคำปฏิญญารับรองแก่เทวดาทั้งหลายทันทีไม่ใช่ขอปุ๊บบอกปุ๊บเลยไม่ใช่เขาต้องตรวจดูก่อนก็แปลว่าตรวจเล็งดูในอนาคตก่อนก็แปลว่าตรวจดูปัญจมหาวิโลกนะหรือมหาวิโลกนะหประการหาประการมีอะไรบ้างคือหนึ่งกำหนดการเวลาอายุไขสองกำหนดทวีปสมประเทศสี่ตระกูลห้าพระชนมายุของพระชนนี บรรดามหาวิโลกนะห้าประการเนี่ยข้อแรกก่อนนะเรียกว่าตรวจดูอายุไขกาละในที่นี้หมายถึงอายุไขว่ามนุษย์ในยุคนั้นเนี่ยอายุไขสมควรหรือไม่สมควรคือความที่พระองค์เนี่ยนะเป็นเป็นผู้มีบุญมากใชพ่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นผู้มีบุญมากท่านเลือกเกิดได้ จะขอเกิดในยุคไหนก็ได้เพราะว่าท่านท่านยังไม่ลงมาง่ายๆว่าท่านจะขอเกิดในยุคไหนเช่นในยุคที่คนมีอายุต่ํากว่าแสนปีลงมาก็ได้หรือสูงกว่าร้อยปีขึ้นในช่วงนั้นอ่ะอยู่ช่วงไหนก็ได้ท่านรอได้เพราะว่าท่านอยู่ในวิสัยที่เรียกว่าเลือกเกิดได้เรียกว่าเลือกเกิดในมนุษย์ยุคไหนก็ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ที่บุญเต็มเปี่ยมแล้วขนาดนั้นเพรา ะ, ะข้อแรกเลยต้องตรวจ ด, ดูอายุไขก่อนว่าทําไมต้องตรวจ ด, ดู ก็เพราะว่าถ้าไม่ดูเนี่ยนะเช่นถ้าพราะองค์เกิดมาตรัม์มาเกิดมาประจุในสมัยที่มนุษย์อายุสูงกว่าแสนปีสูงกว่าแสนปีก็อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ากาละสมัยเพราะอะไรเพราะทุกมีชาติชารามรณะเป็นต้นไม่ปรากฏคือถ้าอายุเกินแสนปีนี่เหมือนไม่แก่เหมือนไม่ตายเหมือนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วยไม่รู้จักตายคนอายุแสนปีเนี่ยนะอย่าง อายุห้าปีเครื่อเด็กหญิงอยู่เลยเด็กหญิงอายุ5้าร้อปีขึ้นไปจึงพอสมควรจะแต่งงานได้ว่ากันท่านถือว่า อ, อายุเป็นแสนแสนปีนี่มันยากว่ากันเพราะว่าธรรมดาพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่จะพ้นจากไตรลักษณ์ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าสอนธรรมมีอะไรบัางสอนพ้นอริยสัจอริยสัจนีอ่อะไรทุกสมุทัยนิโรธมรร ทุก็มีอะไรก็ทุกก็คือชาที่ปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมันั้นสุปายาสาปิทุกขาไอ้คำเหล่านี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์บอกว่าคนอายุเกินแสนปีบอกพูดอะไรเห็นเข้าใจเรียนรู้เรื่องเลยมันนั้นแก่ก็เป็นทุกข์เอ๊ก็สุขภาพดีนี่อยู่มาตั้งหลายเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วก็ไม่เห็นเจ็บป่วยอะไรตายก็เป็นทุกข์เออเมื่อไหร่ไม่รู้จะเห็นคนตายสักทีหนึ่งมันทุกตรงไหนยังไงนะ ก็บอกว่าคนแสนปีขึ้นไปนี่ฟังแล้วมันเข้าใจา ย, ยากแล้วคนกิเลสเบาบางมากกุศลกรรมบด ท, ทุกคนดีเยี่ยมหมดเมื่อทุกคนดำรงอยู่ในกุศลกรรมบทหมดเหตุให้เกิดโสกะปริเทวะทุกโทมณัตอุปายาตหายากมากมันจะไปบอกว่านี้อันนี้จังอย่างนี้ทุกขังอย่างนี้อนัตตาอย่างนี้อันนี้จังเพราะสิ้นไปอย่างนี้ทุกขังเพราะน่ากลัวอย่างนั้นอนัตตาไม่มีไม่มีสาระเช่นนั้นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายก็ไม่เชื่อ เห็นรู้เรื่องด้วยเห็นเข้าใจด้วยเลยว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสเรื่องอะไรเอาอะไรมาพูดแบนั้นนะแต่นั้นก็จะไม่มีการตรัสรู้หรือการตรัสรู้ก็ไม่มีเมื่อการตรัสรู้ไม่มีคำสอนหรือพระธรรมของพระองค์ก็ไม่เป็นนิยา น, นิกธรรมไม่ใช่คำสอนที่จะนำสัตว์ออกจากวัตตุกเพราะฉะนั้นการละนั้นจึงไม่สมควร ก็อุตส่าห์สร้างบารมีมาตลอดสี่อาสงไขแสนกับเพื่อจะช่วยให้คนบรรลุช่วยใครไม่ได้แม้แต่คนเดียวมีประโยชน์อะไรเนี่ยนะก็ชื่อว่าเหนื่อยเปล่าสินี่ถ้าเกิดอายุต่ํากว่าร้อยปีเช่นสมัยเราเราทั้งหลายเนี่ยนะเกิดถูกจังหวะพอดีต่ํากว่าร้อยปีจะได้เข้าใจว่ามันยากขนาดไหนเขบอกว่าต่ํากว่าร้อยปีก็ไม่ใช่กาละสมควรเพราะว่าเมื่อก่อนวันก่อนเนี่ยไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะคนที่อายุสูงที่สุดในโลกอายุเท่าไหร่นะ ร้อยสิบกว่าปีนะร้อยร้อยสบี่สิบห้าปีตายไปแล้วถ้าเออมันก็มีอยู่คนสองคนนะที่เกินร้อยปีบ้งแต่ที่เหลือเนี่ยนะเขาบอเฉลี่ยแล้วประมาณเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยนะอาจจะจริงๆก็ประมาณสิบนหะ้นะาสิบก ป, 15, ปีช่วงกําลังขับมอเตอร์ไซค์เป็นโดยมากช่วงนั้นแหละเยอะอะเพราะว่าวัยเรานั้นอะ่ะไม่ใช่น้อยเลยบอกว่าช่วงไหนที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะอายุต่ํากว่าร้อยปีกิเลสเนี่ยมันมีกําลังหนาแ น, น่น ต่ำกว่าร0 0ปีเนี่ยนะมีอากุศลกรรมบท10ข้อไหนบ้างที่ที่ไม่ทำไม่ได้ค่าสัตว์อย่าว่าค่าคนธรรมดาเลยพ่อแม่ก็ค่าได้อย่างที่เราบางประเทศเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกรักลูกมากบอกลูกลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้นะลูกต้องกินแบบนี้หลับแบบนี้นอนแบบนี้ลูกต้องอคบคนแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นเขามีลูกสองคนโอ้ยสั่งสอนลูกเป็นอย่างดีเลย ด้วยความรักด้วยความเมตตาต่อลูกลูกก็เลยสองคนช่วยกันวางแผนฆ่าพ่อแม่เผาบ้านทิ้งเลยก็เลยจับได้ว่าเออฆ่าลูกฆ่าตกรรมพ่อแม่ก็จับฟ้องร้องศาลลกก็เลยไปชี้แจงต่อศาลว่าฆ่าแต่ศาลพ่อแม่กบขี่คมเหงเหลือเกินสั่งให้ลูกเอ่อให้ลูกต้องเรียนอย่างนี้ต้องเรียนวิชานี้เวลานี้ต้องไหว้น้ําเวลานี้ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เนี่ยนะต้องให้เรียนอย่างนี้ถ้าจะหาแฟนต้องหาแบบนี้แบบนี้ก้าวไกลชีวิตกันเลอะเกินทนไม่ได้ก็เลยฆ่าทิ้งเสลยทั้งขอ้อทั้งแม่ศาลก็เลยเออมันพ่อแม่มันก็ยุ่งกัลูกเลอะ ก, กินไปพันสมควรแล้วก็เลยลูกก็เลยหลุดคดีเลยเนี่ยอันนี้ถามว่าถามว่าเรื่องจริงไหมจริงมันก็พระสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตามกันร้อยปีเนี่ยเกี่ยวกับฆ่าเนี่ยผู้ที่มีพระคุณที่สุดก็ ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่นะทั้งสายวางแผนปรงพระชนเชา้าสายบ่ายเย็นเลยขนาดพระเศียนอย่างเที่ยวตัดทั่วไปหมดเลยใช่ไหมตัดพระเศียนทั่วไปหมดเลยทเรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องการโคดการโกงหายห่วงนะโกงได้หมดขอให้มันเผลอเถอะเนี่ยนะเขอบอกที่ไหนโดยที่สุดนั่งฟังธทำเนี่ยสบายพุ้ตการอย่างนี้เลยทันทีนั่งฟังนะเผลอไปได้กระเป๋าสตางค์ใครจะโจรทำลายปมเนี่ยยังขโมยปม สมัยนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันพันก็ให้รู้ว่าเอออาทินนาทานเนี่ยว่างเว้นไม่ได้การมีสุมิชฉาจารย์ก็วุ่นวายไปหมดมุสาวาดเนี่ยนะพูดชั่วโมงหนึ่งจริงสักกี่คำก็ไม่ทราบขี้เมาย่ำแปลแอลกอฮอล์เนี่ยตลอดร่างกายเลยนะบางคนนี่แอลกอฮอล์อยู่ในตัวนี่24ชั่วโมงเนี่ยนะไม่มีลดเลยเพราะว่าอกุศลกรรมบทอาภิชาก็แรงกล้าพยาบาทก็รุนแรงมิชาทิฐิก็กลุ่มรุม ราคะมีกําลังเต็มที่โทสะมีกําลังเต็มที่โมหะมีกําลังเต็มที่เนี่ยนะกิเลสหนาแน่นแล้วไปสอนตรงไนะจึงไม่อยู่ในฐานะที่ควรจะโอวาทเราว่าไมา่ไม่อยู่ในฐานะที่พระพุทธเจ้าจะต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดนั้นไปสอนคนที่ไม่พร้อมจะรับขนาดนั้นเพราะอย่างนั้นก็ไม่ชื่อว่าเอ่อชื่อว่าเป็นกาละที่ไม่สมควรเพราะฉะนั้นอย่างหลายๆคนที่เขาเอามาหลอกกันในสมัยนี้เนี่ยนะ หลอกคู่เรศประชาชนทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าเกิดแล้วนู่นพระศรีอานเกิดแล้วที่นั่นที่นี่เนี่ยนะก็พอหลอกทีหนึ่งก็หมดไปเยอะเนี่ยนะหมดไปเยอะมากบอกว่าประเทศไทยเนี่ยให้เงินกับชาวต่างประเทศที่มาหลอกเกี่ยวกับรัฐที่เราเนี่ยปีหนึ่งหลายหลายหลายล้าน ดีไมด่ดีอาจจะเป็นพันลานด้วยซ้าไปเนี่ยนะเพราะว่าถูกหลอกขายเกี่ยวกับพระพุทธพาณิชย์ในลักษณะเนี้ยมากมายพันก็ไม่เข้าใจว่ากติการเงื่อนไขว่าพราะพุทธเจ้าจะเกิดในยุคไหนและเกิดเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระพุทธคุณให้ดีให้เข้าใจก็พร้อมที่จะล่องลอยนับถือไปเรื่อยเปื่อยพันปุตุชนเนี่ยโดยสารก็มีความหมายอัตตะอันหนึ่งแล้วว่าผู้ที่แงนหน้าดูหน้ า, าศาสตร์ดำใหม่ๆหไปเรื่อยเนี่ยนะใครพอที่จะเหมือนกับว่าตัวเอง จะนับถือได้เชื่อได้ก็แงนหน้าดูป้าให้เขาจะว่ายังไงก็ว่าไปเพราะใ น, นความไม่รู้ความไม่เข้าใจเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะไม่รู้พระคุณของพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่ากาละใดยุคใดสมัยใดจึงจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอันนี้พระองค์เนี่ยให้ความสําคัญมากว่าสมัยไหนที่จะสมควรจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนั้นเวลาการเวลาที่เหมาะที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องอยู่ในยุคที่มนุษย์อายุ ต่ำกว่าแสนปีลงมาแล้วก็ตั้งอยู่สูงเกินร้อยปีขึ้นไปอันนี้ชื่อว่าเป็นกาละสมควรสมัยพุทธกาลเนี่ยอายุร้อยปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะพระอานนท์นี่ก็อายุร้อยยี่หลายท่านอายุร้อยสีบางท่านอายุร้อยหกสิาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พอมีอยู่หาดูกันได้เนี่ยนะสมัยนั้นอายุเกินร้อยปีเขามีเยอะเนี่ยนะดังนั้นในยุคนั้นถือว่าเฉลี่ยแล้วรวมๆก็ประมาณร้อยปีเนี่ยนะเฉลี่ยว่ารวมร้อปีพระองค์ก็เลยเห็นว่าอ โดยอายุไขเนี่ยสมควรได้แล้วสมควรนะที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็ตรวจ ด, ดูทวีปเนี่ยนะบรรดาทวีปทั้งหลายเช่นอุตรกุรุทวีปปุพหะวิเทห์หทวีปเป็นต้นก็เห็นว่าชมพูทวีปเป็นทวีปที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายบังเกิดขึ้นถ้าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกองค์จะเกิดก็เกิดในชมพูทวีปเพราะพื้นที่ชมพูทวีปมีประมาณหมื่นโยชนี่นะหมื่นโยชก็ผืนเพนที่ที่ใหญ่ เป็นผู้เป็นทวีปที่ที่ผู้มีบุญจะมาเกิดขึ้นก็เห็นว่าชมพูทวีปนั้นเป็นทวีปที่สมควรจะมาเกิดทีนี้ก็ตรวจดูประเทศว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดในประเทศไหนหนอก็เห็นว่าเกิดในมัชชิมะประเทศจะไม่เกิดในเป็นพวกปัจจันตชนบทเนี่ยนะบ้านนอกข้องนาเป็นต้นในในละแวกที่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยไม่เกิดเสร็จแล้วต่อไปตรวจดูตระกูลว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บังเกิดในตระตรกูลที่โลกสมมุติโลกนับถือกันเช่นว่าบัดนี้ตระกูลกษัตริย์เป็นตระกูลที่โลกสมมุติเราจากบังเกิดในตระกูลกษัตริย์นั้นก็ดูว่าพระราชาพระนามวสุโทโธทนะจะเป็นพระชนก ข, ของพระองค์เนี่ยนะตระกูลนี้ส่วนใหญ่ถือให้ให้ความสําคัญกับตระกูลข้างพระบิดาเป็นหลักเนี่ยนะเพราะพระบิดานี้เป็นตระกูลกษัตริย์เนี่ยนะก็ตระกูลกษัตริย์พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยก็จะเป็นพระชนก ต่อไปก็ตรวจดูพระชนนีตรวจดูแม่คนมีบุญเนี่ยเลือกเลือกอะไรนะเลือกยุคเกิดก็ได้เลือกทวีปที่เกิดก็ได้เลือกประเทศที่เกิดก็ได้เลือกตระกูลเลือกนามสกุลได้เลยเลือกนามสกุลแล้วก็เลือกแม่ได้อีกด้วยนะว่าจะเอาแม่แบบไหนเพราะแม่ของพระพุทธเจ้าจะต้องไม่เป็นสตรีนักเลงสุราเลวไหลเนี่ยนะเพราะพวกพี่เป็นนักเลงสุราเป็นต้นทําไมาตรงนี้ยกนักเลงสุรามาบอกว่าคนที่นักเลงสุราได้อย่าคิดว่าข้ออื่นจะขาดไม่ได้ สุราเมรยมฉะประมาทฐานาเนี่ยประมาทฐานาแปลว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาและประมาทเพราะฉนคนที่กําลังมัวเมาและประมาทฆ่าก็ได้ลักก็ได้ประพฤติผิดในกามก็ได้พูดเท็จก็ได้มันก็เลยสุราเนี่ยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทสรุปว่าพระพุทธมารดา น, นั้นจะต้องเป็นสตรีที่มีศีลห้าไม่ขาดเพราะฉะนั้นพระราชเทวีพระนามว่ามหามายานี้ก็เป็น เช่นนั้นพระนางเจ้ามหามายาเทวีนี้จกเป็นพระชนนีของเราคือคือเขามีสองอพระเจ้าสุธโธธนะมีมเหสีองค์เอกๆ อ, อ, อ, อยู่สองคนด้วยกันคือพระนางมหามายากับพระนางโคตมีเนี่ยนะสองคนจริงก็พี่น้องอ่ะนะทั้งพี่ทั้งน้องพระเจ้าสุธโธธนานี่เออก็แต่งงานทั้งคู่เลยคือเนื่องจากพวกปุโรหิตพวกโหนเขาพยากรณ์ว่าลูกของหญิงสองคนเนี่ยคลอดออกมาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทั้งคู่ พระเจ้าสุโธธนะก็เลยเอามาแต่งงานด้วยหมดเลยพระเพ่อองค์เนี่ยสามารถจะเลือกเกิดในพระคารของพระนางมหามายาก็ได้พระนางโคตมีก็ได้เลือกเกิดได้เลยตองก็ดูว่าพระมหามายาเนี่แหละสมควรที่จะเป็นแม่ที่สุดทีนี้จะต้องเกิดบอกว่าธรรมดาพระพุทธมารดาเนี่ยนะเงื่อนไขว่าจะต้องมีอายุ10บเดือนกับเจดวันเท่านั้นหลังจากสิเดือนกับเจดวันนี่จึงจะไปเกิด พอ น, นึกว่าพระนางเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุเท่าไหร่ก็เห็นต่อไปอีกว่า10บเดือนกับเจดวันพระชนมีอายุอยู่เท่านั้นแหละก็เลยพอตรวจดูมหาวิโลกนะ5ประการก็ประทานปฏิญญาแก่เทวดาทั้งหลายหมายความว่าจะให้จะรับปากรับคำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องสำรวจตรวจตราดูซะ ก, ก่อนใช่ไหมเหมือนไปเซ็นสัญญาอะไรสักเครื่องหนึ่งไม่ใช่ไหมอ่านแบบฟอร์มอะไรเลยเที่ยวเซ็นทั่วไปหมด ย่งนก็เดือดร้อนแน่รับปากรับคำเขาทั่วไปหมดไม่ใช่ก็ต้องสำรวจตรวจตราดูก่อนพอสำรวจตรวจตราก็รับปฏิญญากแกเทวดาให้คำปฏิญาณว่าเป็นกาละสมควรแล้วที่เราจะเป็นพระพุทธเจ้า